ถ้าใครที่เคยอ่านงานชิ้นหนึ่งของนัตมาก็คือธรรมะติดปีที่เขียนเอาไว้แล้วก็กลายไปเป็นละครทางช่องสามนี่มีอยู่ตอนหนึ่งก็คือตอนอโห้ไปรองเกี้ยเคยได้อ่านไหมถ้ายัางไม่เคยจะเล่านะที่ต้องถามก่อนเพราะไม่ไม่อยากจะฉายซ้ําบางคนฟังมาหลายที่ <c oughs> ก็จะเล่าอย่างนี้ว่าเมื่อตอนที่หลวงปู่ปฎาถาวรเนี่ยท่านท่านเป็นหลวงปู่ที่มีชื่อเยียงมากนะร้อยปีนะ อ้ท่เราตีเนี่ยยังใช่เลยนะแล้วท่านมีความสุขมากวันหนึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์มาเทศที่กรุงเทพเมื่อเทศเสร็จแล้วนี่คุณยมคุณยมท่านหนึ่งก็นั่งสนทนากับหลวงปู่หลวงปู่นั่นก็นั่งเก้าอี้โยกสบายมีความสุขมากทีนี้ห้องถัดตายในลูกสาวเจ้าของบ้านก็ก็สวมเกีย้ยแล้วก็เดินหรือเข้าเรื่องของอะไรก็ไม่รู้ลากเกีย้ยไปลากเกีย้ยวมามันก็ เพื้นรองเท้าในพื้นเกี้ยมก็กระทบกันเสียงดังครั้งก็งคุณแม่ก็รู้สึกว่าตายแล้วลูกสาวฉันทําขายนะก็กระเถิดเข้าไปใกล้หลวงปู่แล้วบอกว่าหลวงปู่เจ้าคะดิฉันต้องขอโทษ ด, ด้วยที่ลูกสาวไม่รู้กาละเทสะทําให้เป็นการรบกวนหลวงปู่หลวงปู่บดดาลนั้นก็ลืมตาขึ้นมาบอกว่าโยม ของโยมนะเขาเดินลากเกี้ยอยู่ห้องโน้นนะเดมาหงุดไปรองเกี้ยวเขาทำไมเท่าหนังเองเจ้าของบ้านหน้าชาเลยเห็นไหมนัม่นก็คือหลายๆเรื่องในชีวิตที่เรามักจะบอกว่ามันมีปัญหากับตัวเราใช่ไหมเวลาทํางานเวลาใช้ชีวิตเวลาปฏิสัมพันธ์กับคนเร า, ามักจะบอกว่าที่ฉันทุกอยู่ทุกวันนี้นะม่ใช่เพ่อชั้นดอกคนอื่นทั้งนั้นนะ ดูที่เนี่ยโลกน้องฉันอะดูที่เนี่ยคนสามีสุดที่รักเนี่ยใช่ไหมบางคนไปทาาโทษนายกเลย น, ะนี่ที่ตาเราใช้ทุกวันนี้นจะบริกรรมทั้งดีทั้งเล่นต้องไหญ่เลยเอ็นะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เวลาจะมองอะไรต่างๆในชีวิตของเรานี่เรามักจะมองไปข้างนอกมองไปที่คนนอกคนอื่นนี่มันแย่ยทั้งหมดเลยนะมันดีอยู่คนเดียวอะ่ะ ใครไม่บอกมันก็รู้พวกมันนะฉันเองฉันดูที่สกิดคือคนที่คิดจะให้โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยนำมาว่ามันมีความสุขยากนะไปที่ไหนอยากให้โลกหมุนรอบตัวเองจะลํานากมากตอนที่จะตั้มาภาพเป็นสมณเนรตัว น, น้อยเนี่ยตอนนี้ถึงจะโตแล้ ว, ต, ว, ลวตัวก็ยังยึดไม่โตเท่าไหร่นะหลายปีมาแล้วประมาณสิบปีได้ก็มีคณะ ่าติโยมชดใหญ่เลยไปทอกระถิ่นที่วัดวัดหนึ่งซึ่งมัตรมภาพบวชเรียนอยู่วันนั้นก็มีการมอบพระพุทธรูปเป็นของที่ระลึกปรากฏว่าหลวงพ่อท่านเตรียมไว้เก้าองค์สำหรับบุคคลระดับซีอีอแล้วก็มีคนหนึ่งเธอไปที่หลังเธอก็ไปโดยวัยหลวงพ่อหนูบริจาคนะทำไมหลวงพ่อไม่ให้หนูหลวงพ่อก็หลบอ้า ก็เห็นทางบริษรัทแจ้งชื่อมาเก้าคนก็หนูก็บริจาคแล้วทําไมหนูไม่มีชื่อหนูไม่รู้แหละถ้าหนูพ่อไม่ไห้น่ะมือเรื่องแน่วันนี้นทําเอาพระทําแใ่ลำบากไปเลยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาจากเรื่องแรกเนี่ยเวลามีปัญหาระบองไปที่คนอื่นใช่ไหมสองความทุกข์เรื่องที่สองความทุ ก, กข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะเราเอาตัวเองไปผูกกับการที่เราต้องมีบางสิ่งบางอย่างเราถึงจะสุข ใช่ไหมคนจนใจญ่คิดอย่างนี้นะคิดว่าเราต้องมีมันถึงจะสุขแต่คนบางคนเนี่ยอาจจะมีไม่มากแต่ก็มีความสุขในวิธีคิดอย่างนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะสุขกันได้ยังไงใช่ไหมความสุขเนี่ยกับความสะดวกสบายบางทีไม่เหมือนกันอาตมาอยู่ที่วัดเนี่ยโยมที่สาวของอาตมาเคยมาเยี่ยมเมื่อห้าปีที่แล้ว พอมาเห็นท่าน้องช้างก็นั่งสมเพชมากเลยนะเพราะอะไรเห็นเรานอนกับพื้นนอนเข้าไปได้ยังไงมันจะหลับลงได้ยังไงเนี่ยเราก็บอกว่านี่หลับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าจนหัวถึงหมอนมีความสุขทุกวันสบายมากเลยเธอก็ถามมาแล้วมันคปสุขตรงไหนอาตมาก็บอกว่าความสุขกับความสะดวกสบายนี้ไม่เหมือนกัน ถ้ามาเคยเป็นนอนสวนเบาเวลาเป็นนอนที่นั่นเนี่ยเราไม่ได้หนอนหมอนนุ่มๆนะหมอนที่สวนเมาเนี่ยเป็นหมอนไม้เนะหมอนไม้คือถ้าเราเผลอเมื่ อ, อไรหัวมันก็ตกอะตกก้กระทบพื้นและความต้องความยาวของกุฏิเนี่ยด้านหัวก็จะลดฝาด้านเท้าก็จะลดฝาแค่นั้นเองไม่มีอุปกรณ์อํานวยกิเลตอะไรเลยแต่ว่าเราอยู่ที่นั่นเนี่ยมีความสุขมาก วันแรกที่จะมาไปสวนโมก็จะมาเป็นนั่งดูพระเขาฉันข้าวกันเขาฉันกันมื้อเดียวนะเวลาเขาฉันเนี่ยเขาจะให้ทานเรียงกันเป็นยี่สิบรูปสมัยหลวงพ่อ พ, พุทธทาสอยู่ท่านจะนั่งที่หัวโต้ะนะแล้วท่านก็จะให้ให้กับข้าวเนี่ยมันจะมีรางเหมือนรางรถไฟนะองค์ที่หนึ่งตักปุก๊บท่านก็จะถักส่งมาเป็นทอเป็นทอเป็นทอด พอมาถึงเราตอนปลายแถวนี้มันไม่เหลือลนะของเราผ่านชักไม่เหลือแล้วเพราะว่าเขาตักก่อนหมดเลยอตาตมาเงี่ตงตรงทางข้ามกับพระร่วมหนึ่งซึ่งเป็นคนใต้ตัวนนักธุรกิจใหญ่ที่มาบวชทีนี้ด้วยความที่วันหนึ่งฉันกันหนึ่งมือประมาณครับวันหนึ่งนั้นหนึ่งมือนั้นมันต้องฉันกันให้เป็มที่นะแต่ท่านก็จะออกกดแลาให้เรารู้จักประมาณ คุณยอมเชื่อไหมกว่าตมาจะรู้จักประมาณเนี่ยมันค่าวันที่สามที่สี่แล้วนะเพราะพอเห็นอาหารเมื่อไหรดเรารู้เราได้ฉันแค่หนึ่งมื่อเราก็จะตักให้มันเต็มที่เลยนะและตรงตรงข้ามกับาตะมามีพระเล่มหนึ่งท่านนั่งฉันทุกวันก็จะมีผักผักใต้ในเขาจะนิ่โยนทานผักกันนะผักเยอแล้วเกินเอามาเป็นซ่อมหญ้าเลยเนี้ยพอผักมาถึงตรงนี้หรือที่องค์นั้นก็จะหยิบผักเข้าไปแล้ววางตรงหน้าท่านจะหยิบผักแล้วก็บรรจงบรรทุกเข้าปากเลยนะ เหมือนเอาอ้อยเข้าปาช้างะเราก็ไมุ่งดูทำไมท่านฉันผักได้อ ร, อร่อยเหลือเกินนั่งดูยอยู่สองวันวันที่สมเนี่ยผักบ้วงมาเป็นฟ่นอนแล้วอาตมาก็หยิบมาลองฉันดูทําทไมท่านอร่อยเหลือเกินเราก็ลองฉันเออ ม, มันอร่อยนะวันหลังจุนเกษมว่าทําไมหลวงพี่ทานผักเยอะแล้วเวลาทานเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเลยหลวงพี่ท่านบอกว่าจะไม่ให้อร่อยได้ไงเพราะมันเป็นมื้อเดียวของวัน แล้วเราก็อยู่เป็นอย่างมีความสุขนะอาตนาภาน่าภาพอยู่ที่นั่นองงาตนาภาก็มีความสุขมากดังนั้นเราจะเห็นว่าความสุขแท้ทท่จริงแล้วบางครั้งมันอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับความมีก็ได้อาจจะขึ้นอยู่กับการที่ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขใจของเรามันมีความสุขอาตนาภาเพิ่งไปงานแถลงข่าวตาตูนพุทธประวัติฉ บ, บับโลกมากับบเตอร์สเมตตันติเวชุกุล คือในปีพุทธศักราช2550เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา80พระพรรษาอาตมาก็ทำโครงการหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือทำโครงการธรรมาการตรูนร่วมกับทีมงานคนไทยที่ไปเคยเคยไปทำงานกับวอร์ดิสนี่วอรเนอร์บรอดเพวกนี้ว่าทำงานระ ด, ดับโลกมาแล้วนะ งานดีๆการ์ตูนดีๆที่คนไทยได้ดูเนี่ยมาชายบางไทยทีหนึ่งกว่าเป็นร้อล้านเนี่ยคนไทยทำแต่ทำในานามของวอร์ดิสเน่ทีนี้คนเหล่านี้กลับมาบางไทยมาเริ่มมืออาตมาจะทำการ์ตูนพระพุทธประวัติ The l i ัย of b บ d d h a ถวายในหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติและแปลเป็นห้าภาษาจะเป็นภาพยน์พุทธประวัติฉบับแรกของโลกจะไปสู่เวทีโลกเลย เดี๋ยวคมตามดูทางรายการเจอดใจเร็วๆนี้จะมีตัวอย่างมาันมันเยื่อน้ำลายกันในหนังสือเรื่องล่าสุดของมัตสุเนเม่ซึ่งอาตารย์ธรภาคก็ก็นิยมหนังสือท่านมากท่านเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเอาไวา้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนั่นก็คือตั้งแต่วันมีเหตุการณ์จริงเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกามีนักธุรกิจที่ที่ทรวยมากๆจริงๆคนโยมที่นั่งอยู่ในที่นี่อจาจจะรวยกว่าเขาก็าได้ใช่ไหมแต่เป็นพลังเงียบ แต่เลยยังมีแล้วหลวงเตถึง เ, เล่าว่านักธุรกิจคนนั้นเนี่ยร่างหนึ่งเคลิ้ม อ, อกเคลิ้มใจจับรถออกต่างจังหวัดสองคนกับลูกน้องพอไปถึงบึงใหญ่ก็ไปนั่งตกปลาเลยนะเฉพาะเครื่องมือตกปลาเนี่ยชุดหนึ่งก็หลายหมื่นนะอย่างไม่สี่ห้าหมื่นเฉพาะชุดตกปลานะไม่ต้องพูดถึงว่าธุรกิจเนี่ยจะมีกี่กี่พันล้าน ในระหว่างที่เป็นนั่งตกปลาก็ไปเจอชายชาวบ้านคนหนึ่งที่นั่งตกปลาเดียวก่อนนะักธุรกิจก็ถามว่าได้เยอะไหมชาวบ้านก็ตอบว่าก็พออยู่พอกินนะครับมาตกทุกวันหรือเปล่าชาวบ้านก็บอกว่าก็มาเกิดทุกวันนะักธุรกิจใหญ่ก็ถามว่าเอาปลาไปเนี่ยไปทําไมเขาบอกว่าผมก็ตกปลาไปแล้วก็ทำกับข้าวกินมือเดือก็จบถ้าไม่พอพวกนี้ก็มาใหม่ แล้วธุรกิจแบบพันล้านก็ถามว่าทำไมคุณไม่ขายชาแนาก็บอกว่าทาไม่ต้องขายวิธีคิดมันคนละขั้วเลยนะวิธีคิดคนละขั้วเขาก็บอกว่าขายพี่จะได้มีเงินชานาถามบอกมีเงินแล้วทําไมก็จะได้มีความสุขไงชาแนาบอกทําไมต้องมีเงินแล้วถึงมีความสุขผมสุขทุกวันเลยนะธุรกิจแด่เลิกคิวแล้วมีอนี้ด้วยเลยมนุษย์ ชาวนาก็ถามต่อว่าแล้วคุณไปทําอะไรมาเนี่ยนักธุรกิจบบอกผมก็ื่เรียนเมืองนอกมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยกว่า20ปีแล้วที่ผมมาทําธุรกิจตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยไปได้ดีผมก็มอบให้ลูกหลานโดยลกิจการไปเพื่อที่ผมจะได้มีเวลามานั่งตกปลาอย่างคุณ น, นี่แหละชาวนามองหน้าเราทีนี้โอ้โหเพื่อที่จะได้นั่งตกปลาอย่างมีความสุขคุณเสียเวลาไปถึง20ปีนเนี่ย ต่วตัว็นี่ท่านเล่าด้วยความสุขของท่านต้องมาอ่านแล้วก็มีความสุขนะขความสุขที่คิดว่าหนึ่งคือคนมีเงินแต่ถ้ามีเต็มมันก็สุขนะใช่ไหมแต่ถ้ามีไม่เต็นมันก็ทุกข์เพราะคนที่มันไม่มีเงินเลยเนี่ยถ้าทำใจไม่เป็นมันก็ทุกข์นะแต่ถ้ามันทำใจเต็นมันก็สุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งคำนี้แยมคาว่าความสุขเนี่ยบางคนบอกว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีเพราะอะไรเพราะแกทำจนอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เลยเลยผู้เล่าข้างตัวเองอันตรายใจะนิยามหมายว่าความสุขเนี่ยถ้าเรามีให้เป็นเราก็สุขถ้าเราจนให้เป็นเราก็สุขไม่จำเป็นจะต้องเป็นดึงคนรวยมาทําเป็นคนจนถึงจะสุขใช่ไหมหรือไม่จําเป็นจะต้องบอกคนจนไปทําตัวเป็นคนรวยถึงจะสุขความสุขความทุก บางครั้งอยู่ที่ว่าเราตั้งโจทย์ชีวิตยังไงถ้าเราตั้งโจทย์ยากนะบางทีนี่มีร้อยล้านเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่พอนะมันต้องหาต่อไปอีกหาไปเรื่อยๆพอมีสักหมื่นั้นเราไปอยู่ในห้องไอซียูจะแล้วไม่ทําได้ใช่ก่ <c ười> อนตายตั้ ง, งวุ่นระเให้เขาตื่นไปแล้วเดินไปไหนตัไม่ทําใช้เหมือนกันลืมไปม้วนตัหาเงินจนลืมใช้เงิน เมือดังนั้นในระหว่างการใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตั้งคําถามถามตัวนก็คือว่าสัดส่วนของการใช้ชีวิตกับสัดส่วนของการมีความสุขในชีวิตมันมันมันเกิดสมดุลไหมมันพอดีพอดีหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะตั้งคําถามเป็นเป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องต่อมาก็คือเวลาเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบางคนเนี่ยก็ทุกนะเราตมาเคยเจอ นักธุรกิจใหญ่ท่านหนึง่งถ้าเอ่ยชื่อนี้คุเดู้ชมต้องอ๋องกันทุกคนอะ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่ทุกมากมากไม่ได้ทุกเพราะว่าไม่มีเันนะแต่ทุกเพราะว่าสามีมีเงินเหมือนกันกันกบตัวเองนี่แหละคือพวกนี้ว่าเก่งทั้งคู่แล้วทีนี้พอมีเงินมากๆเนี่ยพวกเป็นภ ร, รรยาก็ดีมากมากสามีก็ดีมากมากนะดีมาสิบกว่าตีละ แต่พอภรรยามาจับได้ภายหลังถึงได้รู้ว่าที่ดูมันสิบกว่าปีนี้ก็ช่วมันสิบกว่าปีเหมือนกันคือแอบช่วมไว้เหมือนกันเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยสามีทุกทุกวันเนี่ยสามีเขาจะส่ง ข, ข้อความมาให้แล้วก็ร่ีต้องถือที่แล้วเนี่ยก็ส่งมาเหมือนกันแต่ชื่อที้รับไม่ใช่ชื่อภรรยาอันนี้เขาเรียกว่าไฮเทคเนี่มันไฮทุกเนะี้ยมันมาพร้อมกันพอผูกข้อความผิดเท่านั้นเอง ภรรยาก็ไม่เวรอยไ ว, ไวดูความที่เป็นคนฉลาดก็ไปจ้างนักสืบมาตามตามไปตามมาถึงได้รู้ว่าสามีมีอีกบ้านหนึ่งเป็นเวลาสุดปีแนละ้วที่สาคัญก็คือเขาปิดได้นิดมากและภรรยาเนี่ยเป็นผู้ผหญิงที่ดีมากมากคือเป็นแม่บ้านแม่เรือนมีลูกแล้วก็ต้องแบกสถานภาพทางสังคมจึงซื่อสัตย์ต่อสามีมากๆ และวสามีก็ตีบทแตกกระจุงกระจานแต่ตี ไ, ได้ทั้งตีที่สิบเลยไม่มีใครรู้พอรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองสิ่งที่ผู้หญิงสูงสัก์คนนี้ทำคือไปซื้อตือนเธอบอกว่าในชีวิตเนี่ยไม่คิดจะไปถือเตื่นไปืิงใครเพราะมาจากตระกูลที่ได้รับการศึกษาดีพ่อแม่ดีนามตระกุลดีแต่พอรู้สามีสวมขาให้เท่านั้นเองเธอไปซื้อตือนที่รังบาราบอกเขาว่า เอาที่แพงที่สุดน่ะเอาที่ดีแล้วเนี่ยไม่ให้มันได้ร้องเลยปรากฏว่าเปซื้อตืนมาแล้วไปต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งทําไมไปฝึกยิงปืนนี่เขาเขาทาการตลาดทำที่จัยเรียบร้อยเลยนะคือเป็นนักบริหาเนี่ยจะเป็นคนก็ต้องฝึกแต่าว่าทุกอย่างต้องมั่นก็ไปฝึกยิงปืนอยู่อาทิตย์หนึ่ง ฝึกยินเต้นฝึกทําใจให้เป็นคนที่ใจเย็นที่สุดเมื่อมั่นใจว่าตัวเอหน้าหน้าหลบหน้าไม่พอเนี่ยชนิดที่ว่าจะเข้าไปยินคนโดยที่ไม่ถึงเต้นได้แล้วก็ก็กลัดกรุงเทพเยนวันนั้นเพื่อนซึ่งร้อยวันพันปีจะยุ่งเหยินมาพอกันไม่เคยว่ามาหาแะไรจู่ๆก็แวมาที่บ้านสองคนเข้าไปนั่งคุยกันในห้องนอน คุยไปได้สักพักหนึ่งผู้หญิงที่แบกทุกข์ไว้ทั้งโลกเนี่ยก็ล้วงปืนอากมาจากกระเป๋าเอามาให้เพื่อนที่แล้วเข้ามาหาดูเพื่อนตกใจมากเธอไปซื้อปืนมาทำไมพอถามเท่านี้เธาเองทานกน้าําตาก็แตกความทุกข์ก็พังลงมาต่อหน้าต่อตาเขาบอกว่า<อ>ผู้หญิงไทยเนี่ยทุกข์มากถ้าให้มาพูดกันอย่างเติดใจเนี่ยนะ คุณมันคุดเธอพูดเราไว้ดีมากๆนะว่าผู้หญิงไทยในยทุกข์ยิ่งกว่าผู้หญิงทั่วโลกเลยเพราะอะไรเวลาผู้หญิงไทยทุกเนี่ยไม่ไม่ช้อยไม่ค่อยบอกใครใช่ไหมคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมที่ผู้หญิงต้องอยู่ข้างหลังพอทุกเราไม่กล้านําเสนอตัวเองต่อคนอื่นต่อสังคมไม่กล้าเร่งร้องความยุติธรรมเราเงียบเอาไว้ผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้เพื่ฟังจนหมดพอเล่าจบเธอก็ถามว่า ไหนเธอบอกฉันสิถ la ้าเธอไปยิงเขาอะไรจะเกิดขึ anne anne, th ้นหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าก็จะหมอนนั่นมันตายแล้วเธอล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เตรียมแผนสองเลยนะสามีตายแน่แน่แต่ตัวเองล่ะทำไงพอผู้ถามเธอเขาเอกใจสามีตายตัวเองคงต้องเข้าคุกธุรกิจล่ะ ธุรกิดระหว่างประเทศด้นะทบาบริษัทข้นมชาตเลยเธอก็บอกตอนนั่งสิเด็กน้องที่ยอยู่ติดสองคนน่ะทำไงเอานั่นสินะถูกเพื่อนซักไปสักไปสักไปสุดท้ายเพื่อนเดา ว, ว่าเอาอย่างนีไหมฉันว่าธอไปกับฉันเพื่อนคนนี้ก็เลยพาไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สุริย์เกลินชยัยที่ยื้อพุทธิการสมาคมซึ่งใครๆก็ไปปฏิบัติ พอไปไปฏิบัติธรรมก็ทันสามวันแรกผู้หญิงคนนี้นะไปไปฏิบัติธรรมนี่ยังเอาปืนใส่เป้กันเ่นะ <c oughs> เธอบอกว่าถ้าตปครั้งนี้นะทำมาเอาไม่อยู่นะจะต้ขึ้นรถพอิกันเลยก็ก็คือตัดใจไว้แล้วว่าโทษท ร, รมของสามีเนี่ยเธอบอกไว้ชัดว่าต้องตายสถานเดียวไม่มีการอธรรละต่อรองนะ ตายแล้วไม่หอนะเธอบอกว่าถ้าฉัจริงมันตายนะฉันจะสัเ ป, สงงเป็นชิ้นๆสับแล้วทํายังไงทอดทอดเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วทำไม่ละเอียดเลยนะแล้วเอาจุดกับต้องไฟดีงขึ้นในอากาศอย่าให้ความเชื้นตกต้องถึงแนดินคือคนเราในเวลารักก็รักมากใช่ไหมเวลามันเปลือกมันก็ตัดตาตัดเลยดังนั้นจึงไม่แตกนะ ที่คู่รักในเวลาเวลาเลิกรักเนี่ยสามารถหั่นกันได้นะเพราะอะไรรั ก, า ก, กมากก็โกรธมาสามวันแรกที่เดอไปปฏิบัติธรรมนะคุณยอมเชื่อไหมนั่เราให้ทุกวันครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้หลับตาสิลกูกเธอก็บอกว่ายิ่งหลับ ก, ก็ยิ่งเห็นหน้ามันชัดนะ <c oughs> ลืมตาจะยังดีกว่าเ <c oughs> พราะว่ายิ่งหลับ ทุกอย่างที่เขาเคยดีต่เราเนี่ยตอนที่เขาเราไม่รู้ความลับเนยเราก็จะบอกว่าโอ้ยแสบดีแต่พอเรามารู้ความลับเราจะมองว่าช่างแสดงได้สมจริงเหลือเกินเนี่ยมันจะต้องแต่งตัวอีกด้านหนึ่งนะยิ่งดีต่อเราเท่าไหร่เนี่ยจิตมันก็จะบอกว่าแสดงสแสดงสแดงสแดงทั้งหมดเห็นไหมสามวันไม่ถึงคนนี้ไม่เป็นอันนั่งจันทีไม่เป็นอันเดิจงกลุมเพราะอะไรนั่งร้องไห้อย่างเดียว ครยบาอาจารย์ต้องเศร้านะปกติเนี่ย ค, คนที่สิบคนต่อครยบาอาจารย์หนึ่งคนอันนี้ครูสามหลยนะครยบาอาจารย์สามคนเลยนะตามใจเลยในวันที่สี่ในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมแล้วพู้คนนี้รู้สึกว่าทุกทุกจนอกมันจะระเบิดเธอก็ออกไปเดินรอระเบียงในระหว่างที่เดินนั้นก็มือประสานไว้ที่หน้าตักเนะ้ประสานมือแล้วก็เดินไป รู้สึกว่ามันปวดเมื่อยทั้งมือทั้งเท้าเพราะว่านั่งมาหลายวันมือเนี่ยมันเกาะติดกันแน่นเหมือนกับทีมเล็กเธอรู้สึกว่าทุกคนขณะเดินอยู่ก็ร้องไห้ทุกนึกถึงความเจ็บช้ําน้ำใจที่เรกผู้หญิงได้รับนะเนี่ยนึกถึงความทักที่เรามีต่อเขาแล้วเขาไม่ซื่อนี่นึกถึงหน้าหน้าของผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยว่าเป็นคนใ ก, กล้ๆกันเท่านั้นเอง เธอบอกว่าถ้าเป็นคนกลายนะจะไม่โกดธเลยแต่นี้เป็นใครก็เป็นคนที่เขาเคยอุปถัมบำรึงนั่นเองยิ่งคนกล้อเนี่ยยิ่งก้ยมันยิ่งเจ็บใช่ไนมเพราะอะไรสมนเดือนทานก็หร่อเกินบนเรือนที่รถ บ, บนหลังคาเนะ่มันเจ็บมากเธอรู้สึกว่ามันเปื่อยทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งเปื่อมาถึงมือก็อยากจะปล่อยมือจึงก็่อยๆกาหนดว่าปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือ พอเธอาปล่อยมือออกท่านั้นเองคนณยอมใช่อไหมก้นความทุกข์ที่มันเกาะกันอยู่ในใจมาแรนเดือนเนี่ยมันหลุด อ, ออกพร้อมๆกับมือที่ถูกแปลเพียงเดียวเท่านั้นผู้หญิงคนหนึ่ชาว่าตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงเท้าเพอเธอาปล่อยมือข้างนอกความทุกข์ข้างในมันมันหลุดลุกลงไปการปล่อวางที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อจิตมันมีสติมากพอ พอปล่อยพ อ, อลงไปเท่านั้นเธอร้องไห้โฮออกมาเลยแต่เป็นการร้องไห้ที่มีความสุขมากๆนะมีความสุขที่สุดในชีวิตเทอบอกว่ามันเหมือนกับแหวกเมฆแล้วไปเห็นตะวันข้าวอะทุกอย่างมันสว่างขึ้นมาโดยที่พูดกับใครก็ไม่ได้แล้วความรู้สึกต่อสามีเมื่อเธอไปมองย้อนก็คือสงสารสงสารที่สามียังลอยคออยู่ในความทุกข์สามีกลายเป็นสมมัมโลภน่าสงสารนนะ เธอเระดับตัวขึ้นไปเป็นพระโพธิสัตว์ที่มองดูสามีเหมือนกับแม่มองดูลูกที่ยังเงย็นหน้าอยู่ในโลกกรธหลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้หญิงคนนี้พลิกชีวิตไม่ตรวจสามีแต่อาภัยอย่างสุดจิตสุดใจกลับมาก็ไปบอกสามีว่าเราเลิกกันไม่เอาความก็เลิกกันเงียบๆแต่ทุกวันนี้ก็าจะออกงานสังคมด้วยกันอยู่ เธอเล่าให้ตนาฟังบอกว่าพระอาจารย์ถ้าหนูไม่ไปปฏิบัติธรรมนะตอนนี้หนูคงอยู่ในคุกแล้วชื่อเสียงของหนูนามส ก, กุลของหนูเกียรติยศของหนูคงพังลงมาทั้งหบบภายในวันเดียวทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้เอาตัวรอดจากความทุกข์ที่อยู่ในใจแล้วสามารถผ่านวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตมาใช้ชีวิตจบเจียวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เธอบอกตัวเองมากในชีวิตดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าธรรมะมันจะช่วยอะไรได้เพราะมีทุกอย่างเลยนะการศึกษาจบจากเมือง น, นอกสองใหม่ธุกรกิจที่ตระกูลทํามาเนี่ยก็ทอที่จะอยู่คนได้หลายชัวย่วคนเดินไปที่ไหนก็ขับรถผ่านตำรวจดันมองเฉยๆนะทำเป็นไม่เห็นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ข้างนอก มันเป็นเรื่องของวัตถุคนเราเวลาทุกมันเป็นเรื่องของใจเธอบอกว่าถ้าหนูไม่ไปปฏิบัติธรรมไม่รู้จักการฝึกสติชีวิตมันทําลงแล้ววันนั้นพอกลับมาในคนแรกที่ต้องขอบใจก็คือเพื่อนผู้หญิงคนนั้นที่พาให้ไปสงบจิตสงบใจด้วยการปฏิบัติธรรมปัญหาใหญ่ของคนเราทุกวันนี้โดยเฉพาะนิ่งคนในยุคทุนนิยมบริโภคอย่างนี้นะไม่ใช่การไม่มีเงินมะแต่มาช่วยเดินนิ่งเงินอยู่ทุกคนทุกแห่ เงินมีคุณโยมก็มีแต่บางทีเงินมันก็อยู่ที่หนึ่งน ะ, ะเวลาเรานอนหลับเงินมันก็เป็นตัวแรกอยู่ในบัญชีนั่นแต่ความทุกข์มันเป็นทุกข์เป็นต็มที่มันเกิดขึ้นกับเราใช่ไหยความทุกข <t> ์คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ <t> ที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่ตัวเงินบางทีมันเป็นแค่ตัวเลขมันไม่มีตัวจริงหรอกมันเป็นเรื่องเรื่องสมมุติกันนแต่ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งสมมติถ้ามันเกิดขึ้นมันเกิดกับใจของเราเลยดังนั้นเวลาเรามีทุกข์เนี่ย บางครั้งเราเงินไปซื้นก็ไม่ได้ไปจ้างทนามาช่วยแงะทุกออกก็ไม่ได้นะไป ต, ต่อรองก็ไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการบริหารความทุกข์ด้วยตัวของเราเองอันนี้แหละเป็นวิธีบำบัดทุกข์ที่มักหนาสหัสถึงขั้นเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆเราทั้งหลายนี่เองเรื่องแบบนี้เธอเล่าที่ไหนก็ไม่ได้วันหนึ่งมาเล่าให้แตมาฟังแตงาบอกว่าทําทไมไม่เขียนเป็นวิยตรทาน เธอก็ไปเขียนลงในหนังสือพิมพ์ในช่วงสุดสัปดาห์ใกล้ๆคลองล่างของอัตมาเพรากฏว่าเป็นเรื่องที่ใครได้อ่านแล้วก็ชอบมากตัวแบบเมลส่งต่อต่อกันไปเพราะนี่คือเรื่องจริงตรงที่ที่เราจะกล้าไปหาความบุนแรงกับความสงบผู้หญิงคนนี้เลือกความสงบได้เพราะอะไรเพราะมีสติหลุดออกมาจากก้อนทุกข์ได้งานวิจัยชิ้นล่าสุดของฝรั่งเนี่ยเขาบอกแล้ว่าผู้บริหารส่วนมากเสียชีวิตวันจัน ตะลึงเลนะทําไมเสียชีวิตวันจันทร์มันเร่งงานกันานานๆใช่ไหมงานหลายวันจันทร์งานอะไรๆมันยุ่งมากนะถ้าเราไม่มีศิลธรรในการคล่อนยับความทุกข์คนเรือเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็สบไม่สวยได้นะทุกข์เยอะใช่ไหมทุกข์เยอะดังนั้นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นหลายๆคนนะธุรกิจอะไที่ยิ่งเรวยยิ่งเข้าหาธรรมะ ยิ่งมีเงินมากยิ่งเข้าหาธรรมะไปดูงานที่ไหนคนเขาก็บอกให้สอนสมาธิทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาเริ่มร้จักคำว่า meditation รู้จักคำว่า mindfulness รู้จักคำว่า awakening ก็เคยคำว่าสตินั่นเองทำตืดตัวหนึ่งฝรั่งเขาเริ่มจากแบบเบที่ไม่ต้องนิยามใหม่นะตอนนี้ในยุคไซอนในโซนตคอเนี่ยเขาจะเปิดสอนนิตสนาตปสอนทางทางได้นะ อาดมาไปอ่านโด ย, ดยละเอียดแล้วในซิ้วหนักสือของเราก็ไม่ได้แต่เก็บแผ่นแผงปีที่แล้วนั้เพื่อสารธารมขึ้นตจบเรื่องในเดทเทชั่นในหนังสือของอาตมาในจบจากทางวดกับทัพพร้อมกันตอนนี้กําลังทำดรัคเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลายัยญี่ปุ่นเขาทาเรื่องวิปัฒนาวิปัฒนาในญี่ปุนน่นโดยเอาองค์ความรู้เรื่องวิปัสนาทั่วโลกมาวางให้ดูเลยว่า เมื่อโลกเขาสอนนิยพัฒนาการยังไงเขาจัดกันยังไงคุณเยอมใช่ไหมเขาพบว่านัิตยสามใหญ่ๆที่เราอ่านกันเนี่ยล้วนแต่มีคนสนใจเรื่องนี้ทั้งนั้นเมื่อปีก่อนองค์นาลาลามาตายที่ไปที่ออสเตรเลียมีการบรรยายเรื่องการจัดการกิดวิกฤต crisis management คนฟังหกหมื่นคนใช้สนามที่เราโอลิมปิกเลยนักศิษย์บาดแทงมากเลยไปฟังพระเพืเรื่องอะไร เรื่องการหายใจให้ถูกวิธี <c oughs> เรื่องแค่นี้เองนะคนไทยหลายคนก็ดิ่นไป่นฟังนะพอไปถึงที่นั่งถึงได้รู้ว่าอ๋อมิ่งอ้นสอนอะไรใหญ่โตสอนเรื่องหายใจให้ถูกวิธีใจสําหลักโลกตะวันตกนั่นเป็นเรื่องที่เขาตื่นตัวกันมากมากอัตมาตายอัตมาเขาบอกว่าอัตมาไม่รู้รนะเรื่ององื่นนะอัตมารู้ด้วยสองคำดื้อชิ้นเดินดื้อชินเดนหาใจเข้าหายใจออก หรือที่ยินไอโบหายใจเข้าหรือเอาฝรั่มาพูดไทยหมดเลยเขาอยากเรียนเขาก็เป็นตามมาอีกทีแล้วมีผู้บริหารยักษ์ใหญ่ของบริษัทญี่ปุ่นก็เดิมาเรียนถ้ามาแค่สองคนไม่ต้องทําอะไรนะคนแค่หายใจให้เป็นแล้วกลับไปทํางานด้วยความมีสติทุกๆวันจะเป็นวันแห่งความสุขมนันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเราหายใจไม่เป็นน่ยคุณโยมเชื่อไหมว่า เราเนี่ยจะหายใจเอาความทุกข์ปนเข้าไปความทุกเนี่ยเป็นสารปนเปื้อนในลมหายใจของเราโดยที่เราไม่รู้สารปนเปื้อนในความทุกนี้มันมาหลายทิศทางนะบางทีเปิดหนังสือพิมอ่านตอนเช้าวันนี้เจอและวขมชาติเลิกหนุ่มระคุดสูญเสียแฟนเรียนตั้งแต่มอต้นตอนนี้เธออยู่ปีสี่ผู้หญิงขอเลิกเพราะอะไรเพราะผู้ชายทางานเป็นยาม ผู้ชายรับไม่ได้ที่ชาวพิษมันเดือนสูงเดือนถึงตื่นเะต้นแล้วตั้งแต่มาต้นนะปรากฏวผู้ชายคนนี้รับไม่ได้ฆ่าแฟนแล้วนอนกอดแฟนอยู่สองคืนนอนกอดศพอยู่สองคืนแค่ดูสิเม่อตานทีก่ก่อนหน้านั้นอยูเด็กที่จุฬาใช่ไหมขึ้นไปบนยอดยตึกแล้วพุ่งนาวลงมาแหลกละเอียดเลย เหตุผล hey, ง่ายๆที่ข่าตัวตาคืออะไรก็คือแฟนขอเลิกทีนี้ตมามนีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเล่าเรื่องจริงให้ฟังบอกว่าพระอาจารย์ตึกที่ผู้ชายคนนี้ค่าตัวตายเนี่ยเมื่อตอ น, นทนี่ผมเร็นตัวหนึ่งผมก็เคยขึ้นไปจับจองมาแล้วครับงหนึ่งมันสวยดีกาว่ากระโดดทีเดียวเนี่ยตายรู้ถึงฆษณาตกทีเดียวอยู่เนี่ยเขาบอกว่า อึดอยู่ตร น, นั้นะตึกมันสูงถ้าโดดทีเดียวตายด้วยสาเหตุดเดียวกันคือผู้หญิงบอกเลิกขึ้นไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะกระโดดตึกิฆ่าตัวตายในขณะที่กําลังทําใจอยู่เนี่ยเขาเพ้อห ว, วังเพรง่ายฟืนฟ้าน้ำหมูน้ำตาไหลในระหว่างที่กําลังน้ำหมูน้ํำตาไหลเนี่ยเด็กคนนี้ด้วยความเฮี้ ย, ยนที่เดินขามหน้าอักรศัสตร์เลิกถึงเก ย, ยนิ่งคนบทหนึ่ง ของขังคางกาลยานะพงศ์ชื่อเสียเจ้าเสียเจ้าเราเว า, วาวมันหนีรุ้งตะว่นี้วนแบบนี้เพรียมากเด็กคนนี้มันกําลังร้องไงอารมณ์เนี่ประมาณว่าร้องเส็จก็ตายกันเลยแอ้วได้เราให้บทระวี่แบบนี้โวฟเข้ามาในหัวด้วยความทีไ่ไม่รู้เนื้อรือตัวนะครับดึงปากกาออกมาจากกระเป๋าแล้วเขียนคะวี่ลงไปเพราะว่ามันรู้ว่าแล้วเขียนกวีพอเขียนเสร็จ ยิ้มอกอินใจคว้าเต้เดินลงจากเดินจากบาดท้ายนะมารู้สึกตัวีาอยู่ชั้นหนึ่งฮะอาว้วมันก็ถามเด็มเอ้าทําไมเรามาอยู่นี่เนี่ยเมื่อกี้มันช่ขึ้นไปกระโดดตึกเข้าเดืตายเหรอพอรู้สึกตัวอยู่ชั้นหน้าเดี๋ยวคนนี้ก็บอกเออไม่ฆ่าละเข้มไปดูดีกว่าปีนี้มีงานรวมเล่นกระโยนนิพกับสนนกินนามนีดุกอัตรามายังทำนี่ดมให้ เด็กคนนี้พูดได้5ภาษาเก่งมากๆเป็นนักเรียน AFS ถ้าวันนั้นเขาฆ่าตัวตายสังคมไทยจะเสียยอดคนไปคนหนึ่งนะเขาเล่ามาเพื่ออะไรเขาบอกว่านาทีนั้นผมเล่าลึกถึงดกกวีอารมณ์กวีมันไหลหลั่งทั้งรัวจึงเล่าไปเียนดกกวีและเลืมจุดประสงค์ของตัวเองว่าจะกระโดดข่าตัวตายคำถามก็คือว่ามีทั้กี่คน ที่ไปอยู่ท่านกลางนี่เกิดอย่างนั้นแล้วเอาตัวรอดออกมาได้ใช่ไหมมีสท่าไ่คนสามีภรรยาที่ทะเลาะ ก, กันถ้าสามีเงื้อแล้วมีสามาีกี่คนที่หยุดได้โดยที่ไม่ตกลงไปใช่ไหมมีพระรารัเสวนาสัมมนาระดับโลกที่รัฐสถาการนี่ถูกความรุนแรงในสืรีเด็กและครอบครัวคือเรื่องใหญ่มากเมื่อเราเอยู่ในครอบครัวเนี่ย บนดูข้างนอกมันดีด้ทุกอย่างแต่เมื่ออยู่ในบ้านเรากลับเต็มแต่ด้วยความรุนแรงความรุนแรงมีสองอย่างคือความรุนแรงเปิดเผยถึงขั้นลงไม้ลงมือกับความรุนแรงปกปิดความรุนแรงเปิดเผยก็คือว่าเวลาทะเลาะกันก็ลงไม้ลงมือเลยแต่ความรุนแรงปกปิดก็คือโทรไปก็ไม่รับนี่ความรุนแรงนะหรือรับก็พูดย่างเสียไม่ได้แต่พูดกับลูกค้าในวันจัง แต่เมื่อแต่คนที่บ้านนั้นพูดไปขอไปดีนี่เป็นรูปแบบหนึ่งของความเุ่นแรงและเวลามีความเุ่นแรงอย่างนี้เกิดขึ้นคนส่วนมากก็จะหาทางบําบัดทางบําบัดมีสองอย่างหนึ่งไปถูกทางคือแก้ได้ถูกสองไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นไปหาเหล้าหาบุหรี่หายาเสพติด หือบางทีก็ใช้ชีวิตไปชกกชันกันไปเลยสุดท้ายก็เสียไปแต่เด็กคนเมื่อกี้เนี่ยเขาหลุดรอดจากวิกฤตคือความบุญแรงครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะเพราะบทกวีมันมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นไหมลูกศิษย์ของตระมาคนหนึ่งเรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬานั่นกันเขาเล่าให้ฟังทํางานอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านุฆษณาต้องทํางานกับชาวต่างประเทศปัญหาขอเขาคือภาษาอังกฤษไม่ดี เวลาคุยกันเมื่อหใดเนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยกันมากเลยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งลูกนะ้องเจรจาธุ ร, รกิจไปร้นานาปฝังกลิ่นไม่ดีื่อยิ่งกันมากเลยก็บอกว่าเจรจาธุกินั้นอกสอั่นขรุขวนทุกทีกลัวจะพลาดวันหนึ่งเนี่ยก็หอบเอาความเครียดกลับมาบ้านแล้วก็นอนไม่หลับนอนเลินตาตั้งแต่สี่ท่มจนถึงตีสี่ใน ร, ระหว่างนั้นก็เอื้อมือไปเปดวิดีโ คุณยมเชื่อไหมพอเปิดวิทยุเช้าวันนั้นตนสี่รายการวิทยุเติดบทสวดมนต์เป็นเสียงสวดมนต์ธรรมว่าเช้าแล้วก็มีเสียงสวดทํรมนองสารพงยะคุณยมคงได้ยินนะองค์ใดท่านสังพุทธสุทธัสาสะดาเด็กคนนี้นอนไม่หลับมาจนถึงตีสีพอได้ยินองค์ใด เธอก็นอนเดี๋ยวในที่นอนนั่นก็เอาบกับเขาด้วสิเขาเสือกเ้าก็เสือกพอเสือกจบเชื่อไหมโรคปวดหัวที่เป็นมาตั้งแต่กลางันน่ะจนทาให้นอนไม่หลับจนถึงกันคืนตีสี่นะ่ะเสือกนอนหลบนี้เสร็จด้วยความบังเอิญแท้ๆปรากฏว่าโรคเครียดหายไปลุกขึ้นมานละ้วไปทํางานต่อเหมือนเดิมถ้าเก็บความสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันหนูก็ไปหาอาตมา เล่าเรื่องนี้นห้ฟังอาตอมาก็บอกว่านี่หละเป็นวิธีเคลื่อนย้ายถ่ายเทความทุกข์เป็นวิธีเคลื่อนย้ายถ่ายเทความทุกข์ที่น้อยคนเนี่ยจะทําเป็นอันนี้ขนาดคนทุกขโดยบังเอิญ น, นะคนทุกขโดยบังเอิญมันก็ยังช่วยได้นะออกจากความทุกข์ได้เลยอีกคนหนึ่งเป็นนักเขียนใหญ่ตอนนี้เป็นดีเจอยู่เป็นดีเจแล้วก็เป็นนักเขียนได้เป็นผู้หญิง ทุกหนักมากถึงขนาดว่า อ, อกหักเนี่ยบินไปเมืองนอกเลยนะกลับมา ท, ทําเลที่จะฆ่าตัวตายที่ดียวช่วเมืองไทยไม่ได้ก็กลับมาเมืองไทยอุตส่าห์ลาออกจากเบย์เอเลยนะแล้วอันหนึ่งก็ปวดหัวมากรู้สึกเครียดที่สฝนในชีวิตเพราะว่าถึงเราต่อที่ที่ต้องเลือกอะต้องเลือกว่าจะอยู่จะตปเป็นยังไงบางเอืญผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเครียดต้องกิน ถ้าเครียต้องจินเธอก็ขับรถเข้าไปร้านอาหารทะเลสั่งตูมาเต็มต๊วันนั้นเครียจนเป็นไมเกรนนะพอตูวมาถึงถแกะปูกินหมดโต๊ะเลยสั่งมาตั้งหล่แกะหมดแกะหมดปรากฏว่าท้องอิ่มแก้แล้วเนี่ยก็ปวดหัวหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> หายเลยนะเฮ้ยเธอก็เธอไปหาเพ่อกรื่นี้มันเป็นอะไรเนี่ย ทำไมฉันถึงข้บงขาไปถึงจนบุรีก็ ค, คือขับรถไปแบบไม่มีจดหมายแตู่้ว่าเีเธอต้องกินต้องังตัวมากินกินเสร็จไม่มีความคิดค่าตะตายอยู่ในหัวนะั้นขับรถกลับกรุงเทพไปจัดรายการต่อเธอก็ามาเขียนไว้ในหนังสือบอกว่ารอบมาได้เพราตูเหลือเชื่อไหมคาถามที่อยากจะถามก็คือว่าหนึ่งเด็กคนนั้นริ่ ม, มาได้เพราะกี ในอีกคนหนึ่งหายเครือเพราะดับจวดมนและผู้หญิงคนนี้รอดมาได้เพราะว่าไปกินปูเพราะในระหว่างที่กินปูต้องแกะปูเป็นพันละวังสิ่งนี้ก็คือเขาเรีย ม, มาได้เพราะสมาธิสมาธิเขาได้ทําสมาธิโดวยวิธีธรรมชาติสมาธิโดวยวิธีธรรมชาติมันสามารถดึงจิตดึงใจของเราออกมาจากวิถีได้ทันที ดังนั้นถ้าคุณยอมทั้งหลายเกิดไิกฤษนะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกันก็ดีหรือรู้สึกเงุนง่านหงุดหงิดในหัวใจก็ดีอยู่ตรงรอยต่อที่ที่เราจะต้องตัดสึนใจครัง้งสาคัญก็ดีคุณควรจะเลือกเจริญสมาธิโดยธีกกตะเตะตะปาะเหมือนฉามเรื่องนี้มนะรืออยากจะมีหลักสูตรดีๆเลยอาประมาสถงนีนนให้เลยว่าทาที่นี้ทายัางไง อาตมาอยูอม่มาได้ทุกวันนี้บวชมาสิบแปดปีแล้วมีความสุขทุกวันเหมือนยกขึ้นทางเดินแล้วไม่หันกลับไปมองข้างหลังเลยเพราะเรามีความสุขมีแล้วมีความสุขเพราะอะไรเราสุดสมาธิทุกทุกวันสิ่งที่ตมาทําก็คือไม่ตื่นนอนเราก็ฝดก่อนนอนเราก็ฝึกรวมไม่แต่เวลาไปเดินเดินหน้าบบาทเวลาตมาเดิ น, น เ, เดินเนบาทเชื่อไหมว่าวัดของตมาคือวัดเบญจมารัคเป็นศูนย์ราชการใช่ไหมตมาจะไปเดินเดินเนบบาทรอบกูนยศึกษาพิการ คนเดินเชื่อไหมรถมันนิ่งไปแค่ไูนเกินพยไปบินหน้าต่าเนี่ยต้องเจริญสติกันหน้าดูนนะบางครั้งเดินตัดกัะทึ่งศึกษาเนี่ยตำรวจเขาต้องรู้ในตมาเพราะท่านใจไหวไหมเพราะแต่นั้นมันจริมันไี่มีไฟแดงนะบางช่วงตลรวจเขาต้องช่วยกันต้องช่วยกันดิแต่เราก็เดินเราก็เจริญสติตลอดมีคนไปถามว่าท่านทํางานด้วะแยะเอาเวลาที่ไหนมาฝึกสติแต่มาก็บอกว่าเวลาเราไปเดินบินหน้าบ่ ใจของเราก็อยู่ที่เท้าเราก็กระหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอใจมันก็ไม่ฟื้นใช่ไหมเราก็ได้เติมเต็มให้เมลได้ทําุห่งความรู้เนื้อรู้ตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาประทานข้าเราก็ได้สึกตลอดเวลาเวลาทํางานเราก็ได้สึกตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเรามีสติใจของเราสงบวาจาของเราสงบกายของเราก็สงบเราจัดการกับ ไ, ไม่กี่ตั้งไหมไม่กี่ตั้งๆเข้ามาเยอะมาก ทุกวันนี้ตำมาทเขียนคอลัมน์ถึสิบเอ็ดคอลัมน์นะในเชิงจิตสัปดาห์ในกรุงเทพธุรกิจในชีวิตจิตในแห่งคุณสินในวีในมตินนนชนสุทธิสัปดาห์นาในทั้งหมดอ่ะแต่ตำมาจะพิจิตรนะยังทำงานอย่างมีความสุขถึงแม้เจอส่วนบวกหลายๆใบก็ตามเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเราฝึกสติไปถึงระดับหนึ่ง ใจของเราที่จะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์จะได้ที่ว่าทุกกระทบแล้วกิเลสไม่กระทือนคนส่วนใหญ่เนเวลาทุกกระทบเนี่ยกิเลสมันจะกระทือนนะคุณเคยสังเกตไหมเวลาเราไปที่ไปที่สะเอาก้หมหินโยนลงไปใช่ไหมมันจะตีลงกับเพื่อนหมอกไปการเพื่อนหมอกไปการเพื่อนหมอกไปแต่เราทุกขหลายก็เช่นเดียวกันเวลาก็อนหินิงความทุกข์มันโยนลงในแอ่งน้ำแห่งจิตใจของเราเนะ บางทีเนี we king, said, upset, we king, we ่ยเขาก็มาดูว่าเราตดำตรงหรอกนะเขาฝากมะแต่เวลาเรารับในเรารับเต็มเต็มเลยนะเขาฝากนะนี่เธอรู้ไหมเช้านายพ่อแข่งแต่ถ้าไม่ได้ว่าอะไรไม่มาหรอกนะไหนว่ามาทีจะรับกันเต็มๆอย่างเงี้ยพอรับมาเต็มๆในีบางทีจลากเย็นเงาเช้าตอนเช้าวันจันทร์ก็ยังไม่หายนี่คือความทุกข์มันีกความทุกข์มันกระทบกิเหลสกระเทือน ทำยังไงที่มันกระทบแล้วคนโยมสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยที่เห็นไม่หัวใจไม่ก่อดไม่ไกว์ทุกกระทบทุกเราก็รู้เท่ารู้ทอ้หลักสูตรที่น่าที่สุดตนาขอแนะนำอย่างนี้ว่าทุกๆุกคนนะ่ะควรจะได้เจริญสติวัละนิดวันละหน่อยอย่างน้อยตื่นมาตอนเช้าให้นั่งลงบนเตียงหรือไม่เช่นนั้นก็นอนอยู่บนเตียงนั่นแหละแล้วสังเกตการหายใจของตัวเอง ที่จะมูกก็ได้หรือไม่เช่นนั้นที่ท้องน้อยเนี่ยเนือลิ้นตีตรลิ้นตีเนี่ยคุณลองเอามือจับดูสิเอามือจับดูทุกคนเลยนะเอามือจับดูเอามือจับดูหายใจเข้าท้องมันก็จะพองใช่ไหมหาเจออท้องก็จะยึบใช่ไหมบางวันหลายคนนะให้ทําหายใจเข้าท้องมันยึบจ้ะเพราหายใจไมต็เนี่ยลองดูสิเนี่ยหายใจเข้าท้องท้องหายใจออาท้องยึบ คุณดื่มน้ำแบบนี้นะวันละสามครั้งหลังอาหารเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ในสติของเราจะได้รับการรดน้ําและเราจะกลายเป็นคนที่รู้นื้อรู้ตัว ม, มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่นิ่งแล้วจัดการกับโรคติดได้ดีมากศาสตราจารย์สัญญาธรรมศาสตร์เคยเขียนเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมง เพราะฉะนั้นเมื่อพระประทับบนพระเกียรตินพระองค์รจริงสงนิ่งแล้วไม่มีปัญหาเลยสามารถจัดการกับวิกฤยยตใหญ่โตขนาดไหนพระรองค์ก็นิ่งพระราชดำรัานั้นเต็มด้วยข้ออัดข้อทำตลอดเวลาเพราะอะไรคนที่มีเซลลคอนโทรเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ได้บริหารจัดการอารมณ์ของเปวียนได้ความทุกข์เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นมันก่อนทุกเนี่ย ทางพระท่านบอกว่ามีไว้สําหรับเห็นสุขมีไว้สําหรับเป็นแต่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าทุกต้องมีไว้สําหรับเป็นสุขเอาไว้สําหรับคิดถึงในดมคติมันไม่ค่อยมาสักทีใช่ไหมบางคนจันถึงสุขเนี่ยทํา ง, งานกันหน้าดูสารอาทิตฉันถึงจะมีความสุขก็เป็นนอนกันซะเราขาดทุนมากเพราะอะไรในขณะที่เราใช้ชีวิตจันท์ถึงสุขชีวิตมันก็สุขรอลสรออ ง, งสุขหรอลงถ้าจันทร์ถึงสุขเราไม่มีความสุข ชีวิตก็จะได้หรอกดังนั้นอุตมาจาึงแนะเสมอว่าถ้าเราอยากมีความสุขขอแนะนําเลยไในสถานการณ์ไหนๆก็ได้ตื่นมาตอนเช้าหรือหลังทานข้าวทุกมือ้อแล้วก็ก่อนนอนให้คนเดียวอมือแตะที่หน้าท้องแล้วหายใจช้าๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างนี้คนเดียวจะมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นความเร่งเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ค้นพบด้วยเกองว่า เราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, น, นอันนี้คือการจัดการความทุกข์และทุกข์อีกประเภทหนึ่งจะขอเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการจัดการความโกรธเมื่อเร็วๆนี้มีลูกศิษย์ตระมาโทมหาเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่ได้รับงานจากรัฐบาลมาทำพักว่าล้ามทุกข์มากเลยพาอะไรเขาบอกว่าถ้าเป็นในบริษัทเขาสั่งแล้วทุกคนสั่ง แต่อพอเป็นงานใหญ่อย่างนี้ที่จะต้องประสานกับคนเหลือๆในนักสิบทิศเนี่ยนะไม่มีใครฟังเขาหร่เกรธมากโกรธมากมากเขาก็ถามว่าถ้าผมโกรธมากๆผมจะทํายังไงผู้ชายคนนี้เวลาโกรธจะไปตีกอล์ฟแล้วเรใช้แคนดี้เปื้อนเพราะว่าโกรธแล้วก็ใครอยู่ใกลก็ลงที่นั่นหมดเลยนะเขาบอกว่าถ้ามียางดีนีมเอาเสัส้นๆแต่มาเขาบอกว่า เอาตามสูตรแล้วกันนะเพราะตนาเขียนหนังสือแล้วทรมาหลับสบาย อ, อาจารย์นมานไปเหเจลายวแปลเป็น angle management ก็บอกว่าเอาจะสรุปหนังสือให้ฟนะังเลยถ้าคณโกรธนะหงุหดหงิดเฉียวเพราะการทำงานเนะี่ยให้ใช้วิธีแรกสุดให้ปิดปากให้ปิดปากนะเพราะอะไรถ้าคุณไม่ปิดปากนะ ความโกรธมันจะพุ่งจากที่งไใงนแล้วหลุด อ, ออกจากปากถ้ามันหลุด อ, ออกจากปากเราแล้วก็คกลุมไม่นานนะใช่ไหมถ้ามันหลุดจากปากแล้วมันไปไหนมันก็ต้องหาที่หลงอะกระทบใครเขาบอกว่าคําพูดดีมีค่าดังหยกทําให้ อ, อ, อุ่นหน้าถึงสามฤดูหนาวแต่คําพูดที่ไม่ดียิ่งกว่าหอกดาบแหลมแหลวทิ่มเข้าไปทีหนึ่งบางทีอยู่ในใจคนอื่นทั้งชีวิต คำพูด เ, เวลาลุกตึงหลุดออกจากหล่งแล้วเรียกคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าโกรธนะให้ปิดปากเลยเขาบอกว่านอกจากปิดปากแล้วทำอะไรท่านแต่มาก็บอกว่าสองห้ามตัดสินใจเพราะตัดสินใจตอนโกรธไม่ไม่ดีนะเรื่องบางบางคนรูน้ว่าถ้าเค้านายโกรธแล้วจะเซ็นอนุมัติเร็วชอบยือให้โกรธด้วย ไม่ได้เราจะผิดพลาดตอนตัดสินใจคนที่เกิดมากมามักตัดสินใจไม่ดีคุณเห็นไหมว่าเวลาเลือกระลัะกับพ่อแม่หนีออกจากบ้านไปขับรถเจออุบัติเหตุพ่อไหนการตัดสินใจตอนที่เราเกิดเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยใจของตัวเองแต่เราตัดสินใจด้วยใจของยักษ์ใจของมารใช่ไหมมันจึงผิดพลาดเพราะฉะนั้นข้อสองอย่าไปตัดสินใจนะข้อสามโกรดตรงไหน อย่าอยู่ตรงนั้นบางคนโกรธแล้วนั่ง ม, มันอยู่ตรงนั้นไม่ดีนั่งท่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่ประชุมก็เต็มไม่ไปกับลาบอกท่าอะไรถ้าเจ้านายเครคนหนึ่งมันก็เครยทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์เป็นมาเลธามึงความโกรธเปียกชินชามเราโกรธตรงไหนอย่าอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าเราอยู่ตรงนั้นหลังสุด อ, อมังหิเนี่ยมันก็จะออกมาเหมือนกับลาว่าด้วยมันไหลาจากปืนเขาไฟนะใครอยู่ใกล้จะรับเคราะ วิธีที่ดีที่สุดให้เดินออกไปไปทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงบางคนเดินออกจากสถานการณ์ไปตีก็รูปกอเนี่ยรับข้อบนนะใช่ไหมหรือบางคนไปเดินขึ้นรถขับรถบางทีก่ใช่รถที่รับค้อหรืบางคนโกรมนม่งเลยขับรถไปชนตึกรงหรือว่ารถมันจะเจ็บนะสิตัวเรานี่หนักหนานสาหักเพราะจะนั้นที่ออกจากสถานการณ์แล้วไปทําอะไรที่มันเย็น อาตมาเนี่ยเคยใช้วิธีซักผ้าถ้าโกรธเนี่ยให้ทำสองอย่างนะไปซักผ้ากับไป็นขัดห้องน้ำนี่เศษมากเลยนะโกรธมากก็ไปลงที่ผ้าซักเสร็จมันหายโกรธนะขัดห้องน้ําเนี่ยขัดเศจมันก็หายโกรธแต่คุณโยมก็มีวิธีมากกว่านั้นไม่ได้จัดห้องมานานแล้วโกรธทีดึงหนูมาจัดเลยบางคนบอกหนูเวลาโกรธนะต้องโทรโทรศัพท์หาเพื่อน คุณไม่รู้ือว่าพื่นเราเนี่ยเขาเผาเรือนได้นะใช่ไหมยิ่งโกรธยิ่งโทรหาในตัวช่วยํางฉันหน่อยโอ้แต่แบบเกิดเพิ่มนิด <Yeah. S 2> ไหมเช่อไหมมันไม่อยู่หรอกความรักเนี่ยมันจะเป็นความรับก็ต่อเมื่อมันยังอยู่กับเราใช่ไหมถ้ามีคนที่สองมาฟังแล้วเนี่ยที่จะดีทั่วโลกเขาตั้ใจเตรงกันแบบ ว, ว, ว, ว, ว, ว่ามันมั น, ม, นมันไม่เป็นความลับไม่เป็นความรับ ห, หรอือเปล่าเธอรูจังไว้เลยนะเรื่องนี้เนะ เราต้องเหยียบนะต้หดเลยนะจา่ออาๆๆระวังปุ๊บกดพักเ่ยติดปแล้วธรรมชาติของคนก็คือถ้ามีใครพยายามปิดจะมีคนพยายามเปิดใช่ไหมอุ้ยที่นี้ไม่มีอะไรน่สนใจเราไม่ต้องติดตามอะไรมากเลอะไรอย่างเงี้ยระวั ง, งให้ดีฮะธรรมชาติมนุษย์นะยิ่งติดกั้นเสียรีภาพคนที่หัวหาเสียรีภาพใช่ไหม นี่ธรรมชาติมนุษย์คืออยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบ้านเพราะฉะนั้นข่าวน่าหนึ่งเนี่ยการเมืองการโน้นเนี่ยทุกวันคนชอบที่สุดเลยนะคนชอบที่สุดดังนั้นถ้าคนตรวจนะบอกแล้วว่าให้เงียบซะเงียบแล้วทำยังไงอย่าตัดหัวใจนอกจากอย่าตัดหัใจแล้วให้ทำยังไงต่ออย่าโพูดพ่ดสําคัญที่สุดก็คืออย่าโทรศัพท์ไปหาใครไปเล่าให้บ้านน้อมบ้านนี้เล่าเสร็จแล้วอู้สบายใจ หาหรู้ไม่ว่าพอเรามันจบที่เราแต่มันกําลังเริ่มต้นที่หูคนอื่นนับร้อยนับพันใช่ไหมมันจะไม่หยุดดังนั้นท่านจะบอกว่าให้ถายเทพลังด้วยกันทํา ง, งานซะไปตัดหญ้าไปทําอาหารค่าครัวแล้วก็ว่ากันไปเคลื่อนยา้ายพลังเหมือนกับที่น้องคนหนึ่งเคลื่อนยา้าพลังด้การเขียนบทกวีด้วยการแก่ตูดจนหาตปวดหัวหรือด้วยการสวดมเงินนี่เรานี้เป็นวิธีเคลื่อนย้าความกดและวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่า เมื่อเราออกจากความเกือยดจนแล้วให้ใช้วิธีแทนเมตตาให้ใช่วิธีแทนเมตตาแถนเมตตาให้คนที่เราเกลียดได้นะจะมาเคยถามหลายคนนะเขาบอกว่าท่านให้ผมบริจาคสักสิบล้ามนมันง่ายกว่าเนอะจะให้ผมแถนเมตตาให้มันผงทําไม่ได้หรอกทําไมเขาบอกว่ามันไปคู่แข่งกั น, กนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต่อต่อความร้ายด้วยความดี ต่อความตระดิ้งด้วยการให้ต่อคนพูดเล่าด้วยคําสัตย์แต่คนส่วนใหเนี่ยร้ายมาต้องร้ายไปใช่ไม้มตาต่อตาฟัน ต, ต่อฟันให้มันตาหรือฟันหักกันไปข้งนี่ทีอย่างนี้เนี่ยมันไม่จบประการต่อไปก็ขอแนะนําว่าให้เราแผ่เมตตาอาตมาเคยสังเกตใ จ, จตัวเวลาเกรดเนี่ยถ้าแผ่เมตตามันจะหายนะมันจะหาย นั้นคือให้เรานึาถึงดวงหน้าของโคนที่เป็นต้นตอของความโกรธของเรานาะและนึกในใจว่าขอให้เธออยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอให้มีสติขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะขอให้เธอร่าเรืง น, นะรางที่จะดูนะใครที่ไม่เคยทําแล้วกลับไปเรื่งสมาธิหายใจถ่ออกยาวๆแล้วนึกนึกถึงสตรูคู่อริของเราที่มันสวยเกินหน้าเกินตาเรา มันรกว่าเราใช่ไหมมันทำอะไรก็ดีหมดเนี่ยลองแผ่ให้ตาให้เขานะแล้วคุณจินเคสังเกตแล้วเออจิตใจมันมันกว้างขึ้นนะมันชุ่มเยนเ็นตรงกันข้ามถ้าเราเนิบถึงเขาแล้วเราเพิ่มพลังแห่งความเกลียดใส่เขานะคุณยินใช่ไหมทุกข์มากถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณยินกลับไปที่ออฟฟิศกลับไปได้จากนัก่งงา น, ห, นหรือกลับไปแต่บ้านชวนใครก็ได้มาเป็นคู่ทะเลาะแล้วด่ากันให้หนักๆ น, นะ หลังจากที่เราด่าเสร็จแล้วสังเกตไหมว่าเราจะเหนื่อยใช่ไหมเหน <et> <together> <spe> 哈哈哈ื่อยมากนะเขาบอกว่าเวลาเราด่าคนเราจะใช้พลังงานมากเป็นสิบเท่าเพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่ด่าเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยพอปิดประตตั้งเขาต่อยพ่อแม่แน่นทึบลงบนเตียงเลยทำไมก็ตอบสักใจจริงๆตัวเองมันแก่แล้วมันเสื่อมเลยนะเดี๋ยวดังนั้นให้เราสังเกตว่าถ้าเราใช้พลังงานในการด่าคนอื่นเราจะแก่ลงมาก อายุทางชีวภาพหรือทางใจเนี่ยจะลดลงเป็นสิบปีเลยนะ